ทึกเจ้าถูกสอนแต่สมัยนี้เขาเขาสอนทำกันแบบเป็นหมู่เป็นคณะเป็นห้องเรียนมีหนังสืออะไรต่ออะไรเรียนกันตามแบบฉบับเรื่อวิยาตร์การศึกษาแล้วเรียนจากตำรับตำลาทิจารลุกไว้พูดถึงตำรับตำลาก็มากมายจนอะไระลานตาไปเลย รู้จะอ่านเล่มไหนก็นถูกค่อยเติมค่อยเสริมสร้างตามตำราต่างๆจนผู้อ่านเลอะเลือน <c oughs> บางคนนี่เรียนมาเรียนไปเรียนไปเรียนมากับไม่เชื่อไปเลยคือเรียนมากจัดเลยกลายเป็นเป็นไม่เชื่อคือเลอะเลือนสมัยนี <c oughs> น้จึงเ้อแต่เฟ้อการเรียนแตนี้ก็มี ผู้ทวีตัทประเภทหนึ่งสนใจปฏิบัติถ้าจะพูดถึงพระปฏิบัติหรือญาติโยมที่สนใจปฏิบัติก็จะหันมาทางฟังฟังพระพูดฟังครูบาอาจารย์พูดแล้วก็ปฏิบัติกันก็คงจะอย่างเงหมู่คณะของเราเนี้ยโดยมากก็จะสื่อสารทางการฟัง มันก็เลยากลายเป็นเรื่องที่เรื่องจะมีการบรรยายหัวข้อหรือทาต่างๆที่ผู้ปฏิบัตินั้นกาลังทำอยู่ <c oughs> ให้เกิดเป็นความเข้าใจแนวทางที่ที่ปฏิบัติกันถ้าจะถามว่ารายละเอียดในเรื่องการบรรยายอาจจะไม่ได้ละเอียดหรือว่าไม่ลืกซึ่งเพียงพอเพราะว่าผู้บรรยายก็อยู่ใน ผู้ปฏิบัติเหมือนกันก็ว่ากันไปตามสภาวะที่พอรู้ได้ก็บอกกันไปอย่างเช่นผู้ปฏิบัติเคยทํามาอย่างไงได้รับฟังมาจากตรงนั้นว่าอย่างไงแล้วก็ปฏิบัติมาอย่างไงก็จะบอกให้บอกกล่าวไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจปฏิบัตินั้นทําตามขึ้นเช่นอย่างนั่งมสมาธิสํารวมอินทรีย์ สมายความว่าจิตห น, นตึ่งกายหนึ่งต้องตั้งตรงคือกายต้องตรงวางทิศะพอดีไม่เวยมากมก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ก้มไป ม, มากดูแลเรื่องของกายให้ตรงให้ถูกต้องแต่แล้วก็มือทั้งสองข้างมาประสานกันขึ้นมือขวาทับมือซ้ายเสร็จแล้วพิธีทางกายเสร็จแล้วก็มาเรื่อง เรื่องเรื่อง้องางในคือเรื่องจิตจิตตั้งตรงไหนจิตเราก็ตั้งที่องคุธโธทีนนี้ผู้ปฏิบัติก็เข้าใจเรื่องของกายที่จะต้องทำยังไงเรื่องของจิตทำยังไงก็เริ่มเพราะว่าจุดหมายปลายทางของผู้ปฏิบัติก็คือต้องการความสงบต้องการความสงบของกายแล้วก็ของจิตเราก็มาวิริยะในเรื่องของการทำกายทำจิตขึ้น จิตใจก็จดจ่อเรื่องเรื่องของจิตกายสมบูรณ์ดีแล้วตั้งไว้ตั้งไว้ดีแล้วก็สนใจทางจิตก็หันมาพุโทโธภาวนาพุโทโธอยู่นั้นแหะบางทีพุโทโธอาจจะกลายเป็นภาษาท่องอาจจะยังไม่มีมีสมาธิพอเขาหันมาลำเลึกถึงองค์พระพุทธเจ้าเรียกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นองค์พุโทโธเนี่ยตื่นเพื่อเบิกบานเนี่ย นึกถึงพระพักขอพระเจ้าว่ามีพระพักเป็นอย่างไรในรูปที่ที่เลยเคยดูไวเช่นพระทําเหลืองพระทองคำพระตะกวัวพระดีบุกพระปูลพระโลหะหรือพระเขียนอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาพก็นำพุทธาทุศตินั้นมาภาวนาขึ้นจุดหมายก็คือ ต้องการให้จิตเราไม่ไปไหนอยู่ตรงนี้นี่คือคือคือลักษณะของการบอกกล่าว <c oughs> เรื่องราวของการปฏิบัติยืนเดินนั่งเหมือนกันอยู่ในสภาวะที่ท่างกายความจิตซึ่งเรายังไม่ได้กล่าวถึงเรื่องปัญญาหรือการพิจารณาอาจจะยังไม่กล่าวถึงแต่ จ, จะเริ่มต้นกันตรงนี้ เพราะภาคเรามันเป็นภาคปฏิบัติไม่ไม่ใช่ภาค ก, การศึกษาที่ที่เกี่ยวกับเรื่องของพระไตปิฎกคือพระสูตรพระสุตตานพระอาิธรรมถ้าถ้ า, ถ, า, ถ, า, ถ, าถ้าเราจะเรียนยพระไตปิฎกก็คงจะต้องมีตำรามานั่งอ่านนั่งเขียนนั่งอ่านนั่งจดจําสงใจแล้ก็ไถ่ถามผู้เป็นครูบาอาจารย์ที่สอนก็เป็นเรื่องของปริญญาต เราก็เลยเอามาอย่างเนี้คือขมวดเนื้อความให้ตันลงมากันตรงนี้ดีกว่าปริยัดไปด้วยปริยัดโดยการฟังนฟังแล้วก็ปฏิบัติตามแต่นี้ถ้าเราจะรอให้เรียนจบตรีโทเอกสามถึงเก้าโอ้ใช้เวลานานก็นะจะปริยัดกันจบว่าขั้นตอนของในพระสูตก็จะมีปริยัดปฏิบัติปฏิเวทก็เอาละเรามีเวลาน้อย แล้วก็สนใจทางนี้ด้วยสนใจทางข้าปฏิบัติก็มาฟังคำบรรยายและตอนนี้มาฟังบรรยายจากผู้ที่เคยทำมาก่อนผู้ที่ทำมาก่อนทำมายังไงก็บอกกล่าวไปตามเรื่องราวที่เคยทำมาอันนี้พอวละจิตเข้าสู่สมาธิของกายที่ดีรู้จักทำทาจิตทำทากายที่ดีแล้วต่อมาก็หันมาพิจารณาถึง เรื่องราวของตนเองที่อาศัยอยู่เรียกว่ากายก็จะมาพิจารณาถึงเรื่องสิ่งกำเนิดของกายเรียกว่าสภาวะสังขารก็จะบอกกล่าวผู้ปฏิบัติว่าสังขารของเรานั่ย น, นะมันประกอบกันขึ้นมาให้เป็นตัวเป็นตนสิ่งที่ทำให้เป็นตัวเป็นตนก็เรียกว่าประชุมกันอยู่เป็นกลุ่มกันอยู่มันก็เลยทาให้เรานี้เป็นตัวเป็นตน แล้วก็เป็นวิญญาณที่สื่อสารรับฟังแยกแยะกามเวลาได้ไปกระทั่งชีวิตที่เคลื่อนไหวไปได้ตามลักษณะของอสิ่งที่ยังไม่ปราศจากวิญญาณผู้ปฏิบัติที่เคยทํามาก็จะบอกว่ากายของเรานะ่ะมันมีอยู่หกธาตุด้วกันก่อนนี้เราอาจจะไม่รู้จักคำว่ากายที่ประกอบกันขึ้นประชมกันขึ้น หรือเขาเรียกว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอัแต่ยังไม่เข้าใจแต่นี้ก็ถอดถอดแต่ะชิ้นออกแล้วเพราะจิตเราดีตอนนี้แล้วก็หันมาถอดกายโดยมีประธานที่จะคอยตัดสินเรื่องของสิ่งนี้ไว้สามอย่างเรียกว่าถ้าใจรับก็คืออ น, นิจจังแปลว่าของไม่เที่ยงทุกขังของที่เป็นทุกข อนัตตาคือสิ่งที่ไม่มีตัวตนสามข้อแล้วเขาคอยคอยคอยตัดสินให้เราในขนาดที่เราลือล้อลื้่กายผูนะ้ปฏิบัติที่เคยทำมาเขาก็จะบอกว่าข้อที่หนึ่งธาตุข้อที่หนึ่งที่วิ่งมาวิ่งมาอยู่ตรงนี้หรือธาตุดินมันตั้งม่แล้วหนึ่งธาตุสองธาตุน้ำนเป็นสองธาตุธาตุลม เป็นสามธาตุธาตุไฟเป็นสี่ธาตุเนี่ยจะเป็นหมู่แล้วนะสี่อย่างนี้เป็นหมู่แล้วนะก็เติมอากาศธาตุคือช่องว่างระหว่างลมหายใจเรียกว่าอสสาสะปัสสาสะในร่างกายนี้ขึ้นอีกธาตุหนึ่งก็รวมเป็นห้าธาตุแล้วแล้วก็เติมไปอีกธาตุหนึ่งวิญญาณธาตุวิญญาณแปลว่ารับรู้ สิ่งที่เป็นไปตามอวัยวะอย่างเช่นตาเห็นลูกก็จะรู้ว่านั่นคือลูกแล้วก็แยกแยกรูกนั้นออกไปอีกลูกออลูกแก่ลูกลูกที่กําลังจะอาจจะตายหรือว่าลูกกำลังจะพังหรือลูกไม่ดีลูกไม่สวยงามลูกอกปลักษณ์อะไรก็แล้วแต่ ตาที่กระทบกับรูปก็จะเป็นสื่อทําให้เรารับรู้เรื่องของรูปเขาเรียกว่าธาตุธาตุตัวสุดท้ายนะเขาเรียกวิญญาณหูก็จะมีหน้าที่ทางฟังเสียงเสียงเสียงดบาเสียงดังเสียงค่อยเสียงเบาเสียงกระสิบมีหน้าที่ที่จะจะให้รับรู้เรื่องของเสียงนะกระทั่งเสียงที่ดีเสียงไม่ดี เสียงอ่นโยนเสียงกันแข่งกันด้างเสียงก้าว้าวอะไรก็แล้วแต่เสียงเขาด่ากันเสียงเขาทะเลาะกันอะไรก็แล้วแต่นีนหน้าที่ของเสียงแต่นี้ก็มาถึงตําแห่เรื่องกลิ่นสื่อสารก็จะรับรู้ถึงเรื่องกลิ่นกลิ่นดีกลิ่นไม่ดีกลิ่นเหม็นกลิ่นหอมกลิ่นเน่ากลิ่นป่วยแล้วก็แล้วแต่สารพัดกลิ่นที่มันมาสัมผัสให้เรารู้อ่านี่คือกลิ่นอันนี้เรื่องของ วิญญาณอีกตัวคือสัมผัสเรียกว่าสิ่งที่มากระทบให้เรารู้หนาวรู้ร้อนรู้เย็นรู้หิวรู้กระหายรู้ปวดรู้เมื่อยรู้อาการต่งตางๆของร่างกายที่เกิดขึ้นปวดหัวตัวร้อนเป็นไข่พูดตามภาษาโลกก็เรยอโรคอะไรต้อโรคอะไรไม่รู้เรารู้หมดเช่นเอ้ยทไมปวดท้องเนี่ยเป็นอะไรโอ้ไซต์ต่มเกิดขึ้นต้องหาหมอหมอพา ทางไปปวดท้องขึ้นมาก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรือว่าเอ๊มีก้อนอะไรเกิดขึ้นในร่างกายผิดปกติแล้วให้ดูอ้าวเป็นมะเร็งอ้าวาอีกเห็ขาเรียกว่าสัมผัสมากระทั่งถึงอาการที่กระทบพูดตามภาษาโรคเรียกตหลกหน่อยนะก็คือเอดอดูตายแล้วหมอไปตรวจโรคเราบอกว่าเลือด บ, บวกเป็นเอด็ดตายทันทีเลยมีแต่ตายอย่างเดียวเลยตอนนี้เห็นไนะ เนี่ยวิญญาณเนี่ยนะทำให้คนเรารู้และสัมผัสกับเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นแต่เนี่ยเว่ถ่ถธาตุทั้งหกนีนสมบูรณ์กันดีถ้าเหมือนอย่างเหล่านี้นะเนี่ยก็เคลื่อนไหวไปมาเดินเหินลุกนัง่งพูดจาป้าใสหรือจะตบตีทะเลาะเบาแวงอะไรกัก็วางกับไปตามน้อขนาดไปกระทั่งถึงไอ้ริงที่ น่าจะเข้ามาคุยตรงนี้ด้วยก็คือถึงที่ทําให้เราเป็นทุกข์กับเรื่องความประพฤติของการกรรมเมื่อกีกรรมมโนกรรมนี่เราจะเห็นว่าถ้าทั้งหกเมื่อประชุมกันตรงไหนตรงนั้นก็จะเป็นสภาวะลูกที่ไปตามอัตภาพตอนนี้เมื่อลูกวันนี้ตั้งขึ้นมาเป็นลูกของชีวิตแล้วก็มีการเจริญเติบโตคือวันเวลาก็ผ่านไป จากเด็กในท้องที่ปฏิสนธิอยู่กระทั่งได้เก้าเดือนได้เวลาก็คลอดมามาเป็นเด็กมาเป็นเยาวชนมาเป็นคนหนุ่มคนสาวมาเป็นคนเท่าคนแก่มากระทั่งอะไรตายไปเราก็คงจะต้องวกกลับไปหาคำตัดสินแล้วจริงไหมเธอที่พระพุทธเจ้าบอกว่าลูกนั้นเป็นอัจฉจังคือลูกไม่เที่ยง การเข้าไปยึดถือในรูปของเธอทําให้เกิดเป็นทุกข์แปลว่าความกังวลกลัวเจ็บกลัวแก่กลัวตายกลัวไม่มีไอ้นั่นกลัวไม่มีอ้นั่นกลัวจะมีกูวจะเป็นอย่างนี้กูวจะเป็นอย่างนั้นการที่เข้าไปยึดถือในรูปของกายนั้นก็ทําให้เกิดเป็นเพราะว่ารูปของเธอนะ่ะมันเป็นรูปของอนัตตาเขาเรียกว่ารูปอาศัยชั่วขณะเท่านั้นเมื่อถึงวันถึงเวลาที่เรียกว่า จิตต em right ้องลากายนิหรือลาชาตินิลาภนิมันก็จะไปตามสัทธาของมันที่เคยมาเช่นดินก็จะไปตามดินดินอยู่ตรงไหนก็ไปตามที่อยู่ของดินน้าอยู่ตรงไหนก็ไปตามที่อยู่ของน้ำลมอยู่ตรงไหนก็ไปตามที่อยู่ของลมไฟอยู่ตรงไหนก็ไปตามที่อยู่ของไฟอากาศอยู่ตรงไหนก็ไปสู่อากาศตรงนั้น อากาศตัวนี้เราจะเรียกกันว่าลมด้วยแตได้ลมข้างข้างนอกเรียกว่าข้างโนอาข้างนอกเรียกว่าลมแต่ข้างในเรียกว่าอากาศตามภาษาภาคเขาเรียกว่าไาสาระสสารสาะสคืออากาศที่หมุนไปหมุนมาระหว่างช่องล่างไอช่องว่างของร่างกายส่วนวิญญาณก็ดับลงคือเสื่อมเสื่อมไปตามสภาพคือตาเสื่อมหูเสื่อมจมูกเสื่อมลิ้นเสื่อมกายเสื่อม อาดการรับรู้เลยทั้งหมดก็เป็นสลายะคือนิ่งไปเรียกว่าวิญญาณภาวะไม่รับรู้แล้วก็เป็นสลัยยะคือนอนอยู่นอนอยู่ตรงนั้นจนกว่าจะมีท่าที่เกิดขึ้นมาใหม่คือดินน้ําลมไปอาการจะท่าเกิดขึ้นขึ้นมาเมืาา่อไรวิญญาณท่านี้ก็จะเข้าสถิตให้การสื่อสารรับรู้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าไม่มีรูปไม่มีท่าเข้ามาตั้ง วิญญาณนี้ก็ไม่สามารถจะลุกขึ้นมาให้ความรู้สึกรับรู้อะไรได้กรงกับที่พระเจ้าบอกว่าทุกอย่างที่เราอาศัยเป็นนามสมมติคืออนัตตาเป็นของเป็นของสูนเปล่าเป็นของเปล่าเป็นเฝ้าความว่างเปล่าแต่เป็นเรื่องสมมุติพระผู้ปฏิบัติท่านก็จะบอกเรื่องเราอย่างนี้แล้วก็นี่ผู้ปฏิบัติก็ พิจารณาไปตามลักษณะที่ท่านบรรยายหรือบอกก็จะเห็นโอ้จริงเพราะว่าคนที่แก่ก็มีให้เห็นคนที่เกิดก็มีให้เห็นคนที่เจ็บก็มีให้เห็นคนที่ตายก็มีให้เห็นคนที่ตาเสื่อมหูเสื่อมจมูกเสื่อมลิ้นเสื่อมกายเสื่อมก็มีให้เห็นก็จะเห็นสภาพวะอ่ะสภาพความป็นจริงก็จะปลงน่ยเชื่อคำสอนพระเจ้าจโอ้สิ่งนี้ เป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตายติเราก็จะโยนิโสมนานสิการนันตามลักษณะที่เรียกว่าได้ยินได้ฟังตามเนื้อหาของผู้ผู้ปฏิบัติที่เคยทํามาตอกก็จะเกิดเป็นสติล้ำลึกถึงเกิดแก่เจ็บตายได้ถูกต้องล้ำลึกถึงชีวิตที่เป็นทุกข์ได้ถูกต้องไปกระทั่งล้ำลึกถึงสิ่งต่างๆที่ตนเองเจตนาไม่เจตนาในเรื่องของบุญและบาป โดยถูกต้องึอ้นเขาเรียกว่าค่อยๆค่อยๆดูแลพื้นฐานตั้งแต่ตั้งแต่กายถึงจิตเรายังไม่ได้พูดกันถึงเรื่องจิตเลยนะเรื่องกายที่ที่เราอาศัยอยู่ว่ามันไปยังไงมายังไงมันถึงเป็นกายของเราอะไรต่อมีอะไรมันมารวมกันอยู่หรือมันถึงเป็นกายของเราก็อาศัย <c oughs> ผู้ปฏิบัติ ที่ท่านเคยทำมาก่อนได้มานั่งบรรยายเพื่อให้เรารับรู้ในช่วงเวลาที่เรียกว่าจิตสงบได้รับรู้ถึงเรื่องเปลือกของจิตเราก็จะเริ่มเข้าใจแล้วโอ้แต่อนนี้เราจะถือจังเลยกายอันนี้เป็นของเราจังเลยหาโน่นหานี่มาบำเลอกายของเราที่ลับที่นอนที่กินที่อยู่เครื่องใช้ไม้สอยแม่บเาเลอกันจัง แม้ว่าถึงแม้นมันจะมาผิดมาถูกก็บำเรยกันไปอะไรอย่างนี้แต่นี้พอเรารู้กันเอ๊ะเรามาอาศัยจะบำบูอะไรกันนักหนาพออยู่พออาศัยพอกินกับพอแล้วนี่นะคือปัจจัยสีก็คืออเสื้อผ้าที่อยู่อาหารยารักษาโรคพอสมควรแก่อัตภาพกับพอแล้วนี่จะไปดิ้นรนกระวนกระวายให้มันเดือดร้อนออกรขจัดภาษีไปทําไมเพราะว่าเราก็อาศัยนิดเกินแปดสิปีร้อยปีแล้วก็ตายแล้ ว, วะ่ะ มันก็จะไม่เกิดอัตมิมานะแตลว่ายะถือตัวตนเป็นหลักเราก็จะมีปัญญาเข้าใจถึงสังขารของเราเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ปฏิบัติเข้ามาเข้ามาสู่จุดจุดเขาเรียกว่าจุดเกิดของชีวิตแล้วก็จุดัดบของชีวิตตามหลักภาษาธรรมะท่านเรียกว่าพระอภิธรรมคือหมวดพระอาภิธรรมหมวดอภิธรรมก็จะมีจิตเจตสิโกโูปวิภาย ระหว่างโลกิยาพะโลกุตตะละนะจิตเจตสิกรูปนิพพานเนะี่ยเขาเรียกว่าระหว่างโลกิยาพะโลกุตตะละมันจะต้องเดีโอกาสดีๆหรือจังหวะดีๆเขาคงจะได้อธิบายกันถึงเรื่องจิตเจตสิกรูปนิผพานบ้างเข้าใจถึงเรื่องของพระใจรักหรือว่าหมุนขัน 5, ห้าอายอยู่แต่นี้พอพอเราเข้าใจถึงเรื่องกายนะมันก็จะเริ่ม เพ่งละเพ่งกายแล้วเขาเรียกว่ามีสติรู้จักกายก็จะเพ่งกายแล้วเพราะว่าคนที่มีสติรู้จักกายก็จะใช้กายให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ไม่ใช้กายแบบสุรุ่ยสุล่ายเหมือนคนรู้จักคุณค่าของเงินอย่างเงี้ยนะก็จะไม่สุลุ่ยสุล่ายในการใช้เงินหรือใช้กายคือเปรียบเทียบให้ฟังว่าคนไม่รู้ค่าของเงินก็มักจะฟุ่มเฟือยกับเรื่องการใช้เงิน คนที่ไปรู้จักคุณค่าของกายก็จะใช้กายแบบฟุ่มเฟือยใช่ไหมการใช้พุ่มเฟือยนั้นมันสมัยถึงว่าเสียหายเสียหายก่อนเวลาที่ที่เรากําหนดขึ้นเพราะฉะนั้นเรื่องของกายที่เราเพ่งไปก็จะมาถึงตรงนี้แล้วเขาเรียกว่าปุญญาพิสังข์ขังคือเราจะใช้สังข์ของเราให้ให้เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีให้แก่ ชีวิตของเราหรือจิตของเราก็คือสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมทำบุญตักบาทอบอ้อมอานีต่อครอบครัวสามีภรรยาบุตริดาปัตยูปัตวทีต่อคุณพ่อคุณแม่สำนึกในคุณของปู่ย่าตายายพี่ป้านะ้าอาเพื่อแผ่เมตตากรุณาไปถึงเพื่อเกิดขึ้นตายนะเนี่ย เ, นะเขาเรียกว่าการเพ่งเลนไปสู่กายที่มีประโยชน์ ก็เป็นปุญญาพิสังขารคือสังขารเริ่มเริ่มเริ่มได้บุญเข้ามาอีกอีกข้อหนึ่งเริ่มเข้าใจคําว่าสะสมบุญให้แก่กายแล้วนะแตอนนี้มันตรงกันข้ามกับคนที่ไม่รู้จักกายอะคือไม่รู้จักว่ากายเข้ามากันยังไงแล้วเขาไปไปจะใดก็จะใช้กายแบบ ส, สลุ่ยสล่าขี่เกียร์โดมต์ไหว้ผ้าขี่เกียรนั่งสมาธิขี่เกียรทําบุญตัก บ, บาตร หรือไม่สนใจหน้าที่ดูแลครอบครัวสามีภรรยาบุตรธิดาหรือขาดความกตัญญูก ต, กตวเวทิตาต่อคุณพ่อคุณแม่ไม่เลี้ยงแลแต่บรรฑบุรุษคือผู้ย่าตายายเหม็นเฉยหรือตะหนีขี้เหนียต่อเพื่อนเกิดเพื่อนตายไม่มีเมตตาไม่มีเมตตากรุณาในประเภทอย่างนี้นี่เราจะเห็นว่าบุคคลที่ไม่รู้จักคุณค่าของกายแล้วก็จะเสียประโยชน์อย่างนี้กลายเป็นเนอักขุสนกันเลย คนที่ไม่รู้จักกายเนี่ยนะจะเป็นอกุศลคือใช้กายที่ไม่เป็นประโยชน์ในทางที่ดีกลับไปใช้กายในในในในสิ่งที่เป็นโทษแก่จิตของตนหรือว่าชีวิตของตนนี่เราจะเห็นอนิสงส์กันชัดเลยว่าคนที่รู้จักกายเป็นอนิจจทุกขังอนัตตานั้นเขาจะใช้กายกั็นยังไงเราก็รู้แล้วว่าที่เรารู้นี่ไม่ใช่ไม่ใช่รู้เพราะผู้บรรยายนะหมายว่า รู้เขาว่าผู้บรรยายศึกษาธรรมจากพระพุทธองค์มาก่อนแล้วก็มาบอกมากราบกันตรงนี้เท้จริงแค่ไหนพิจารณาให้รอบขอบในเรื่องของสิ่งที่บรรยายไปเราก็จะได้เห็นกับเรื่องราวของสัจธรรมความเป็นจริงของชีวิตจะได้ไม่ไปอเออะยึดอะไรต่ออะไรกันกลายเป็นเรื่องว่าโลกาวินาศที่เาเรียกว่าเกิดมามีแ ต, มแต่มีแต่เรื่องไม่ดี นีแต่เรื่องโหดร้ายมันเป็นเรื่องที่นี่เป็นเทษแก่ชีวิตเรานั่นเองสําหรับคนที่ไม่รู้จักกายที่เป็นอนิจจตุกขอเข้าใจในเรื่องการทําสมาธิและใช่ไหมว่าทําสมาธิกายดีจิตดีแล้วเราก็จะได้รับรู้อะไรดีๆที่อยู่ในตัวเราอีกนี่เขาเรียกว่าเขาเรียกเอาตําราเดินขึ้นมาพลิกอ่านจริงๆแล้วตําราที่อยู่ในหนังสมุดหรืออยู่ในหนังสือเล่มนั้นน่ะ ก็คือก็คือเรื่องของจิตกายนี่เองว่าจะเป็นบุญเป็นบาปว่าจะเป็นบารมีว่าจะเป็นเป็นบุญเป็นบุญบศนเป็นเรื่องอะไรต่อเมื่ออะไรที่บรรยายกันร้อยแปดพันเก้าเนี่ยนะก็มาจากเรื่มนี้เนี่ยคือคือทัศน์ศรันหวิญญาณจะเป็นเรื่องของบุคคลก็ดีจะเป็นเรื่องของสถานที่ก็ดีจะเป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาเรียกว่าชาดกก็ดีมันก็มาจากตรงนี้แหละมาจากกายนี่แหละเขาก็เรียกว่า กายก็เดินทางไปสู่การละคือเวลาเทศะคือสถานที่มันก็ว่าคืนวันนี้เราได้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิ <c oughs> กันตั้งแต่สองทุม่มมาถึงบ่ายเนี้ยก็เป็นเรื่องของชีวิตเราครั้งหนึ่งพิสูุองค์นี้เมชีคนนี้อุบาสกคนนี้อุบาติกาคนนี้ ได้มาเดินจงกรมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เวลาสองทุ่มถึ ง, งห้าทุ่มในคืนวันนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นเล่าที่ ท, ที่ที่ต่อเนื่องกันไปชื่อสถานที่และเรื่องเล่าเขาเรียกว่าชาดกมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่อยู่ในพระสูตรหรือเรื่องอะไรอย่างนี้ <c oughs> พูดถึงคนสมัยนี้นะอ่า ทกจิตคนเราสมัยนี้นะที่ที่จะพูดต่อไปนี้นะเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องพิจารณาให้รอบคอบกับการทบหาสมาคมกับบุคคลสี่ประเภทบุคคลสี่ประเภทนั้นก็คือประเภทที่หนึ่งคือรูปล่างข้อที่หนึ่งนะรูปล่างข้อที่หนึ่งข้อที่สองคือเสียงข้อที่สามเครื่องนุ่งหงษข้อที่สี่ สัะธรรมพระเจ้าท่านท่า น, ท, า น, ท, านท่านมีวิจารยณมีทศกุลยานตัวว่าพุทธบริษัทของท่านหรือว่าลูกของท่านหรือว่าสากยบุตรของท่านที่เรียกว่าสี่ประเภทเนี่ยหรือบริษัทสี่เนี่ยจะตกหลุมพลางกับเรื่องราวของบุคคลสี่ประเภทโดยที่เรานั้น ไม่สามารถจะรู้ซึ่งเรื่องราวของบุคคลสี่ประเภทได้ท่านก็นเลยให้วิชาดูแลหรือว่าประมาณการกับบุคคลสี่ประเภทไว้เพื่อจะได้มีสติรู้จักยับยั้งไปด้วยหรือหรือไม่ไปหรือเชื่อหรือไม่เชื่อศรัทธาไม่ศรัทธ า, าทำตามไม่ทาําตามอะไรประเภทอย่างนี้เราก็ในฐานะที่เราเป็นคนที่เรียกว่า เดินทางสแสวงหาโมกะธรรมก็ต้องมีสติมีสติทำสี่ข้อนี้นะถ้าไม่มีสติทำสี่ข้อเนี่ยเจอผีก็ไหวเจอผีก็ขรลบเจอคนทรงก็เขรพกราบไหวเจอภูเขาก็ไหวเจอเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือเทวะไรตัวไหนก็ไหวบูชาเชื่อถือย่ำเกรงเงขรลบแต่จะทำตามอะไรประเภทอย่างนั้นสมัยนี้เป็นสมัยที่ อันตรายมากสำหรับผู้ที่แสวหงหาโมฆะธรรมซึ่งปกติแล้ว <c oughs> บอจิตหรือลักษณะที่น่าเคารพลและเชื่อถือมากที่สุดและไว้ใจได้ว่าท่านนั้นจะไม่มีการหลอกผู้ใดทั้งสิ้นก็คือองค์ท่านเป็นนาถาคือเป็นที่พของเราเป็นเป็นสิทธะแปลว่าผู้นำความสำเร็จมาให้รู้ไหมว่าสิทธะแปลว่า ผู้นําความสําเร็จมาให้มีชื่อเดียวในโลกสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าปีก็ยังไม่มีใครชื่อศิริถตาเลยนะเพราะว่าไม่ไม่กลา้าแม้แต่ว่านันบศาสนาผู้ก็ไม่กลา้ามีใครจะกล้าชื่อมีใครจะไปเทียมตนกับพระศาทธาหรือพระสัมมาสัมพุทธจาก็ไม่กลา้ายิ่งคนไทยแล้วก็ยิ่งไม่กล้าใหญ่เลยที่จะชื่อลูกหลนานด้วยศิริถตาเนี่ยยิ่งไ ม, ไม่ได้เลย เ ร, เรียกว่าสูงเกินไปอะไรเงี้ยเกรงกลัวไม่กล้าเคารพคนเราเคารพอะไรก็ไม่กล้าที่จะตีตนเสมอเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจนําไว้นะสิท ธ, ธิทัดข่าวเนี่ยแปลว่านํามาซึ่งความสําเร็จนะท่านสําเร็จถึงมากท่านให้มาให้ให้ให้เรามีความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นๆไหมท่านโกหกเราไหมแต่ถ้าท่านเป็นนาถเเรียกานาถการณธรรม คือเป็นที่พึ่งแก่เราที่แท้จริงถ้าเราเจอพระพุทธเจ้าเนี่ยเชื่อได้เลยนะฟังแล้วทําตามไปเลยไม่ต้องไม่ต้องกรึกไม่ต้องกลองไม่ต้องอะไรไม่ต้องลังเลสงสัยแล้วนะถ้าเราเจอองค์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้านี่ยเหลือไว้แต่อะไรองค์พระปฏิมาก่อนเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าท่าเจดีย์พระปฏิมากรนี่เขาเรียกท่าเจดีย์เจดีย์คือพระพุทธเจ้า คนสมัยนี้ก็นิยมสร้างมาจังเลยละท่าเจดีเนี่ยนะพูดถึงท่าเจดีก็เมื่อเมื่อเมื่อวานนี้หรือเมื่อวันก่อนมันเคได้มีโยมคนหนึ่งมาจําศินอยู่ในวัดกับไยังก็ไม่รู้นะก็มีสามีโทรศัพท์มาที่วัดเลยบอกว่าเสียใจมากตกใจมากพระพุทธรูปหล่นลงมาแตกอะไฝ่ายภรรยาที่อยู่ในวัดนี่ก็วิตกกังวลกับเรื่องของพระที่ตกลงมาแตก ก็ไปปรึกษากับพระองค์หนึ่งที่เป็นประชาสัมพันธ์พระองค์นั้นช่างกรบอกวโยงต้องเสียใจแล้วพระข้างนอก่ะมาปั้นพระข้างในเถอะอนะพระข้างในจะไม่แตกไม่หักไม่ตกไม่ลนแต่พระข้างนอกเป็นอนิจจังคือก็แตกได้ตกได้แล้วก็สลายได้อะไรอย่างนี้นี่นี่เนยเขาเรียกว่าอพระพุทธลูกก็คือธาตุธาตุธรรม หรือเจอดีธรรมหรือถ้าเจดีหรือพระธาตุอย่างนั้นองค์พระปริมากรสมัยนี้มีแต่องค์พระปริมากรใช่มหมเรามีปัญหาอะไรหรือเราเข้ามากราบมาไหว้ท่านนิ่งเฉยเพราะว่าปริมากรรมก็คือลีลาแห่งการปั้นเช่นเราจะเห็นพระนั่งพระยืนพระลีลาพระสะดุ้งมานพระสมาธิพระให้ศีนให้พร อ, อะไรอย่างเงี้ย แ ล, แล้วแต่เป็นภาพปฏิมา ก, กรรมถ้าเป็นองค์จริงๆสมมติว่าอย่างพทธเจ้าท่านยังมีชีวิตอยู่เมื่อสมัยครั้งอดีตนะถ้าท่านมานั่งตรงนี้แล้วท่านก็นเพศนาโปรดพุทธบริษัทเยนะเชื่อได้เลยไม่ต้องหลังเลสงสัยไม่ต้องมาใช้คิดพิจารณาอะไรกันละเพราะว่าความเมตตาคุณกับกรุณาคุณของศาสนาพเจ้านั้นบริสุทธ พระพรทธเจ้าเป็นเป็นบุปผาเป็นประธานแห่งความบริสุทธิ์ทั้งไม่ว่าจะมองดูด้านกายด้านวาจาด้านจิตด้านด้านธรรมทั้งก็บริสุทธิ์ก็บรรยายส่วนประกอบมาเรื่อยๆนะยังไม่ได้เข้าเรื่องบุคคลสี่อย่างคือรูปร่างเสียงเครื่องลงหงนั่นก็สัจธรรมเลยก็จำตั้งไว้ให้ดีเผื่อเราจะไปตรงโน้นตรงนี้มันไม่แน่มันไม่แน่แต่เป็นตรงนี้ตรงไหน ที่มีบุคคลเดินไปมาไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นุบาสกบุตริกาก็าอย่าควรเชื่อแต่อย่างใดก็ตาแม้กระทั่งที่นี่ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นโยมเป็นแม่ชนะีที่อยู่ที่เนี่ยก็อย่าเชื่อแต่อย่างใแต่ควรจะเชื่อแบบมีมีวิจารยา์ก็คือมีสติก็ไม่ใช่ว่าที่เอออย่าเชื่อนะเชื่อที่นี่วันนี้วันเดียวว่าจะเดินทําวันเดียวอะไรเงี้ยก็ก็ไมได้บอก เดี๋ยวบอกว่าทุกที่นั่นแหละระวังไว้ให้ดี